بسم الله الرحمن الرحيم.الحمد لله رب العالمين.اللهم صل على محمد.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เป็นการเรียนรู้อัลกุรอานในสุรฮูดนะครับสุรฮุดที่น้องได้รับชีดแล้วใช่ไหมตั้งแต่อายาที่หนึ่งถึงอายาที่สี่ อายะที่หนึ่งถึงอายะที่สี่สูรอหุตเนี่ยเป็นสูระอที่บอกให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆหลายประการเป็นสุรอที่เรียกว่ามักกีะสุรอที่ประทานหลงที่มัตกะรนีอยู่ร2 3ยี่สิบสามอายะ ไอเสียงดังๆเนี่ยนะนึกถึงคุณแ อ, เ, อ, อเสียงเรือมันดังคุณแอว่าอย่าไปเครียดเราไม่ได้สั่งดนยามาให้เราเพียงคนเดียวคนอื่นก็อยู่ด้วยโ อ, อเคอา้าวตายขวาหน้าหลังทำดูนี่ละออจะพูดถึงเรื่อ ง, ลงหลักการ إ ي ่านที่มีต่องล้องและรอซูลในซุรลันนี้ภาพรวมนะฉายภาพรวมก่อน ปการที่สองพูดถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพไม่ได้ตายแล้วตายเลยตายแล้วจะได้รับการตอบแทนตามกฎที่บอกว่าว่าวาไม่อย่างมันมิสกอลลซัรละรตินไยรอยยะรอ้อฝ่าไม่ย่างมันมิสกอลละซัรละตินไครอยยะรว่าม่อย่างมันมิสกอลลซัรละตินชัดรอยยะรทําความดีเท่ากับซัดร้อยหนึ่งอเราก็เอาไปสอบสวนตอบแทน อาจารย์วัยดีนอาจารย์ผมวิทยานนท์บอกว่าหนึ่งซรรอ4ี่ปีกยุงเท่ากันหนึ่งซรรองั้นหนึ่งร์รอสกับเนหนึ่งส่วนสีสของปีกยุงพูดถึงเรื่องการตอบแทนแล้วก็บอกเรื่องราวของนบีต่างๆไม่ได้เล่าเรื่องผ่านไปแต่ต้องเก็บนาปรากฏการในนบีต่างๆเหล่านั้น เป็นบทเรียนสอนชีวิตสุร้อนี้ก็หนึ่งสองสาสี่ห้าเป็นการตอบใจท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลสลัมเนื้อหาน่ะเป็นการตอบใจท่านนาบีเพราะว่าเวลาดะวะอิสลามเนี่ยจะถูกการต่อต้านให้นาบีได้รับรู้ว่าคนรุ่นก่อนท่านนาบีมุฮัมมัดสโลสลัมก็ถูกการต่อต้าน แต่คนเหล่านั้นนบีก่อนหน้านี้ทำหน้าที่สำเร็จเพราะมีความอดทนงั้นอย่าอย่าท้ออย่าทอ้ออย่าระทมเวลาทาหินูเวลาทาดนูว่าอันตุมุนอาลลาวในอิงกุนตุมมุมินีนอย่าทอ้ออย่าระทมท่านจะเป็นบุคคลที่ได้รับการยกระดับสูงส่งถ้าท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อเราจริงจริงชีวิตเมเพื่ออดทนอดทนที่จะทาความดีอดทนที่จะร้ายครับ ต่อสู้กับความยากลำบากชีวิตต้องสู้ไม่สู้ไม่ได้สุรอนี้ก็บอกอะไรครับบอกถึงภาวะวิกฤตที่นบีได้พบหลังจากที่นบีที่อบูตอเลบซึ่งเป็นลุงของนบีตายแล้วก็ภรรยาของนบีก็ตายชื่อคอดียะก็ตายวิกฤตเหล่านั้นนบีสู้ต่อ นะครับแม้ว่าจะไม่มีลุงที่ปกป้องนบีอยู่ตลอดเวลาแต่การทำนด่แหละลุงของนบีอบูตอลิบตายโดยไม่ได้รับอิสลามแม้นบีจะไปขยันขยอให้กล่าวกัลิมมะว่าให้รับอิสลามจุดเบี่ยงเบนที่อบูตอลิบไม่รับอิสลามนะ่ะมันมีมันมีสาบับมีสาเหตุบางการเบี่ยงเบนก็คือว่าอบูตอลิบหันไปมองญาติ ยากว่าจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตลิบบรรพบุรุษของเราหรือนี่ตามพวกนี่ก็ก็หนึ่งคือสาเหตุสบับนะขอดยาก็ตายบอกถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธาที่ต้องสู้กันเพื่อเอาศรัทธาที่มีต่ออัลละ์เป็นแนวทางสำหรับชีวิตสู้บอกถึงเรื่องนบีนวัว ในเหตุการณ์ที่เป็นน้ําท่วมโลกก็คือฮูดเนี่ยเป็นเหรนนี่แหละเท่ากับเป็นเหลนของท่านนบีนัวาอะลัยฮิสลามนะฮูดนี่ยเป็นเป็นเหลนของท่านนบีนัวอะลัยฮิสลามนะเอาเรื่องราวของนบีฮูดนิดนึงนบีฮูดเนี่ยเป็นบุตรของเอาสิฟเนอิมรอนเป็นบุตรของอัเอาเอาป็นลูกของอิมรอนอิมรอนเป็นลูกของ ซามอัลซะซามก็เป็นลูกของน บ, บีนวัวนะลูกของน บ, บีนวัวชื่อซามชื่อสมชสามมชเชียวซามนะชื่อซามลูกน บ, บีนวัวตอนนี้ลูกน บ, บีนัวที่เหลืออยู่จากการจมน้ําตายเนี่ยก็ไปอยู่ในที่ต่างๆบางคนก็เป็นตระกูลของพวกอาหรับ บางคนก็เป็นตระกูลของพวกพวกอะไรละ่ะพวกฝรัง่งนะบางคนก็เป็นเชื่อสายตระกูลของพวกพวกพวกตุรกีก็ก็ก็เป็นเชื่อสายกันอยู่แต่นี้ทุกครั้งที่ว่าทุกครั้งที่ นบีจะไดะ้ว่าอิสลามอนี่ยใว่ายุคใดก็ตามเนี่ยมันจะถูกการแทรกแซงจากอิบลีสอยู่ตลอดเพื่อกระตุ้นให้มีการกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้บรรพุรุษเนี่ยมันจะมีสิ่งอะไรเนี้ยแทรกมาตลอดในช่วงว่างเว้นนบีว่างเว้นรอซูลมันจะมีสิ่งเหล่าเนี้ยหรือแม้แต่มีนบีและมีรอซูลสิ่งเหล่านี้ก็ถูกกระตุ้นจากชายตอน ให้ไรเชื่อบรรพะบุรุษที่ไม่เข้าใจอิสลามเชื่อรูปปั้นเชื่อสิ่งต่างๆที่ที่ไรครับทําให้เราผูกพันกับมันเชื่อไรครับมันก็มีสิ่งที่เหลืออยู่จะปลูกบ้านก็จะต้องมียันมีอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวที่อิสลามสอนแต่มันเป็นประปทการณ์ของ คนที่เขาปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาน บ, บีฮูษเนี่ยอยู่กับพวกอาร์ตพวกอาร์ตเป็นคนที่อะไรครับมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยล้มตายพวกอาร์ตไม่รู้จักความตายตั้งประมาณเจดร้อยปีไม่รู้จักความตายว่าความตายเป็นยังไงไม่เห็นความตาย ไม่เห็นการพัดภาพจากกันก็เลยมีหัวใจที่กระด้าไม่เคยเห็นการตายเลยเจ็ดร้อยปีพวกเขาจึงมีความสุขจนลืมอัลลอฮฺสุบฮฮาวตลาที่เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงงั้นอายุยืนบางทีลืมทานาบีนี่บอกคอยรุนนาสคนที่ดีคือมันต้อเรลาอมรูหูวาฮาซุนาอามารุอายุยืนแล้วกระทำดีสัดรุนนสคนไม่ดีก็คือ คนที่อายุยืนแต่ทําไม่ดีนั้นอายุยืนต้องมีเงื่อนไขทําดีก็เป็นคนดีทําไม่ดีก็เป็นคนไม่ดีแต่นี้อัลลอฮ์แต่งตั้งท่านอบีลฮูดมาจากมายังพวกอาร์ตเพื่อประกาศให้นับถือพระเจ้าอง์เดียวคืออัลลอฮ์สมาตาลาแต่พวกอาร์ตนั้นไม่เชื่อไม่ลําพองก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไรอยู่ได้ แต่ท้ายสุดก็อลัลลอฮ์ก็ลงโทษพวกอาร์ตอลัลลอ์ให้มีพายุที่รุนแรงกระหนำบ้านเรือนเรือสวนไรนาของพวกอาร์ตจนพินาศเป็นเวลาเจ็ดคืนแปดวันถูกทำลายอาบับดุลฮดก็ทำหน้าที่ไอคนไม่เชื่อก็ถูกทำลายไปอบับดุลฮดเสียชีวิตเมื่ออายุได้สี่ร้อยหกสิบสี่ปีอายุตั้งสี่ร้อยและก็ศพของท่านก็ฝังอยู่ที่เมืองฮาดรุนเมา้า พัทรันมาวุตคือประเทศเยเมนฝังอยู่ที่นั่นงั้นจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านนาบีอิบรอฮมดุอาตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ให้มีลูกหลานที่เป็นผู้ศรัทธาต่อร้อให้ทินงฐานบ้านช่องที่มีความแห้งแล้งที่มักกะให้มีพืชพันธุญาหารที่สมบูรณ์ดุอาของนบีอิบราฮมก็ถูกตอบรับ ถูกตอบรับเดี๋ยวนี้เป็นไงมักกะเจริญเรื่องเรื่องมีหนึ่งค้าขายไม่รู้เท่าไหร่รวยจนสำลักเงินซื้อกันไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นการบ่งบอกว่าด ع อาที่นบีบรหีมขอนั้นอลัลลอฮ์ตอบรับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่อลัลลอ์ตอบรับแล้วก็ให้ปรากฏการเกิดขึ้นเป็นความจริงเดี๋ยวนี้มักกะเดี๋ยวอุมรอเดี๋ยวอุมรอเดี๋ยวฮัดก็ก็ไป ในอายะในสุร้อนนี้เขาขึ้นต้นจากอัลลอฮมิมอ้ผูชอลลอฮามิมอลลอฮ์มรอคัตบุนอกิมัตอายาตุฮุสุมมฟุสลัตมินละดุนฮักีมินขบีอัลลาต้าบุดูอัลลอฮ إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاع ا, مت ا حسنا إلى أجل مسمى วิอุติคนละซี ل ฟ ك ُ ل ลّ ذ ِ ي <ت ص> فَضْلٍ <في> فَضْلًا <ق> وإن َِ تَوَلَّوْفَ ا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إ ِ ل َ ى ا ل ل َّ ه ِ م َ ر ْ ج ِ ع ُ ك ُ م ْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أ َ ل ِ ف ิَลา ر َอ เขาเรียกว่าฮุรุฟมุกตะฮ์หรือฮูรุฟฮิจาเราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงแต่เป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงมั่ยยุาสของอันกุรอานอิบนุบอับบาสกาว่ามันหมายถึงฉันคืออัลลอฮ์และฉันเป็นผู้เห็นทุกสิ่ ง, งั้นทุกอย่างที่เป็นอักษรย่อเนี่ยมันจะมีคำอธิบายว่าอัลลอฮ์หัวอะละมุบีมูรอดีฮ อัลลอฮ์รู้ความหมายคำย่อเหล่านี้ได้ดีที่สุดแต่ว่าเราไม่รู้แต่ก็เป็นการบ่งบอกถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานเป็นโมจิซาสที่ไม่มีใครลบล้างได้จนกระทั่งถึงวันกิยามะนั่ะเป็นโมจิซาสอัลลอฮ์บอกไงนะกิตาบุนอุฮกิมัตอายาตุหู เป็นคำภีที่องค์การทั้งหลายของมันถูกทําให้รัดกุมมีระเบียบกิตาบุญเป็นคำภีอุคีมัตอายาตุหูที่องค์การทั้งหลายของคำภีนี้ถูกทําให้รัดกุมและก็มีระเบียบคือไม่มีข้อบกพร่องทั้งถ้อยคําและความหมายกุรานเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องทั้งถ้อยคําและก็ความหมายไม่เหมือนกับ ต่างกับตาร้อนและอินเียนที่สมบูรณ์ไม่เท่าอันกุรานตา อ, อินยียนไม่สมบูรณ์เท่าอันกุรานแต่อักุรานนั้นไม่มีข้อบกพร่องทั้งถ้อยคำและก็ความหมายนั่นคือแบบเป็นอะไรครับการพีทิมวะกามะสุงมาฟุตซีลัต่อจากนั้นมินลลดุน ฮักีมุลขับิดซุมมะฟุติัดมินลดุนฮักีมินขาบิดแล้วก็ถูกจำแนกเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งจากผู้ทรงปรีชาญาณและผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเชี่ยวชาญ น, นะคำพีเนี่ยคือฟุติัถูกจำแนกเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งเช่นฮาลาฮารอมบอกถึงวิถีชีวิต และประการที่สมก็คือว่าฟุตซิลลัในเรื่องของบอกถึงเรื่องอาคิร์ร์วัลอารคิร์ร์ตุดารุนยาตาอัดดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวัลอาคิร์ร์ตุดารุนยาตาอาคิระร์เป็นโลกแห่งการตอบแทนงั้นทําบนดุนยานี้ได้รับการตอบแทนไหมตอบแทนในโลกดุนยาส่วนหนึ่งเพื่อให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้ส่วนอาคิระร์เป็นโลกแห่งการตอบแทนที่ยาวนาน และตรงนั้นแหละจะเข้าสวรรค์จะเข้านรกก็อยู่ตรงนี้แหละที่เราทําตัวเราในโลกโดนญานี้มีฮะริสวรหนึ่งบอกว่าอัดดุนยาคุลิกลกัดละกุ้มดนญานั้นถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์สําหรับพวกท่านทั้งหลายเราก็เก็บนําผลประโยชน์ต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราบนโลกโดนญานี้หวันตนุ้มคุลิกตุ้มลีลาเคโรสํานึกลึกๆที่เราต้องมีอยู่ก็คือว่าท่านทั้งหลายคือพวกเราเนี่ยถูกสร้างมาลิลาเคโร เพื่อการกลับคืนสู่อารา์เคโรนี่คือคือเป้าหมายชีวิตที่ต้องเตือนใจเสมออ ด, ดุลยาคุลิกก็รักุ่มโดนยาถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์สําหรับพวกท่านเราก็เก็บประโยชน์จากโดนยานี้นะครับแต่เวลาอารา์เคโรตุดารุนยาดาอาร์เคโรเป็นโลกในการตอบแทนและเราก็ว่าอันตุมคุลิกตุมลินอารา์เคโรพวกท่านทั้งหลายคือพวกเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อการกลับคืนสู่อารา์เคโรงั้นต้องต้องนึกตรงนี้ นะอย่าหลงโดนยาจกนกระทั่งว่าลืมอะเทรอนะครับอย่าลืมดนยาจกนกระทั่งว่าหลงโดนยาจกนกระทั่งว่าไม่ทําอิบารัดที่อลัลลอฮ์สั่งงั้นอลัลลอฮ์นั้นฮะกีมฮะกีมอัลลอฮ์ฮะกิมินคบิดคือยังไงฮะกีมคืออะไรเป็นผู้ที่ปีชายานหมายความว่าปีชาญานฟีอักวาลีฮีมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งในเรื่องคําพูดต่างๆที่อลัลลอฮ์สอน ว่าอากามีฮีบทบัญญัติต่างๆที่อลัลลอฮ์บอกมันมีระบบของการจัดการชีวิตแล้วก็ประการที่สามบอกอะไรปีชายานผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดอ่อนฮักีกัตุนเอติกอดบอกถึงความยึดมันนนนมดม่นที่ถูกต้องอัลลอฮ์บอกนั้นทุกนบีอัลลอฮ์ก็บอกฮักีกัตุนเอติกอดความยึดมั่นที่ถูกต้องบอกมาตลอดทุกประซูลก็บอกมาตลอ ด, อมลอดไม่เช่นนั้นถ้าไม่บอกมนุษย์ก็จะหลงผิด ก็บูชานับถือสิ่งที่ใกล้ตัวคิดว่ามีอำนาจที่จะบันดาลชีวิตให้ประสบความสาเร็จได้อ น, นั้นไม่ใช่นี่อัลลอฮ์บอกแล้วก็บอกอะไรครับบอกถึงความเสียหายอบาติลุนกาฟิรินความหายนะความเสียหายของกาฟิดผู้ที่ไม่เชื่ออัลลอ์อัลลอ์ลบอกแล้วบอกอะไรอีกอากาโมชาริอาลิลไาตัดบอกถึง ขูกรมต่างๆบทบัญญัติต่างๆซาดิอะบทบัญญัติต่างๆสําหรับการใช้ชีวิตของผู้คนนี่คือเรื่อฮาคีมผู้ทรงปีชายานเรื่องโดยคําสอนโดยบอกขู่กรมบอกฮาคีก็เอติกอดบอกอบาติลุนกาฟีนินบอกถึงอากามุชารีอะลิลฮัยาตบทบัญญัติทั้งหลายสําหรับการใช้ชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์เนี่ย ยังจะต้องรับรู้อีกก็คือว่าชามาอิ น, นลอยอัคราบบุคลิกภาพของนบียังถูกบอกเล่าให้เราได้สืบทอดแล้วก็ปฏิบัติอีกงั้นบอกทั้งหมดในทุกมุมของชีวิตอลัลลอฮ์บอกหมดแล้วจึงไม่จําเป็นที่จะเก็บมุมของชีวิตอื่นที่ไม่ใช่แบบอิสลามมาไว้กับตัวเรานะก็ตำแบบของเราทุกอย่างผมเคยบอกกับพี่น้องว่า เวลาจะพูดจะคุยกับใครอย่าบอกโอเคอาพวกนี้เจอกันนะโอเคให้พูดว่ายังไงอินชา AH. อัลลอฮ์เมื่อวานก็บอกที่สัสนนุเวลาถูกใจว้าวไม่มีว้าวไม่มีให้บอกว่างไงสุบฮานอัลลอฮ์ เราต้องเชื่อมตัวเองกับคำสั่งของอัลลอฮ์ทุกอย่างที่บอกว่าไงนะยะสุกรุนัลลอฮะกียามาวะกงูลาวะลาจุบิิมในอิรียบทของชีวิตที่ถ้าไม่ยืนก็นั่งถ้าไม่นั่งก็นอนมันเป็นอิเลียบทของชีวิตที่ต้องมีอิสลามตลอดนี่นี่คือวิถีของเราอย่าไปเอาของคนอื่นเข้ามาแทรกอย่าเปลืองตัวโดยการเอาระบบอื่นๆมาแทรกในตัวเรา อัลลอฮ์ก็จะไม่พอใจเราคบีตคบีคือผู้ทรงรอบรู้รอบรู้อะไรเบียรว่ากีบินอุมูดว่าบัานปลายของเรื่องราวต่างๆจะเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอ์รู้ไงอัลลอฮ์รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรจึงบอกให้เราได้ปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้เช่นลาตักรบุสินาอย่าเข้าใกล้การซินาเราอาจจะคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรเนะี่ย มันเป็นรสชาติสำหรับชีวิตยิ่งรักเขากินยิ่งมีรสชาติแต่บ้านปลายของมันเป็นยังไงล่ะบางปลาจำมันเป็นยังไงเพราะในระบบอิสลามน่ะไม่มีสินามีระบบขั้การแต่งงานถ้าไม่มีความพร้อมจะแต่งงานแล้วมีอารมณ์ทางเพศแก้ปัญหาด้วยอะไรถือสินอดไม่ได้ไปกินยาคุมอารมณ์เพศไม่มีถือสินอดแล้วนบี บ, บอกความ ความลึกล้ําของชีวิตนะทาไมนบีรู้เขาให้ตรวจเลือดก่อนที่จะแต่งงานเพราะว่าไอ้เม็ดเลือดหรือกระบวนการของเลือดนะมันมันเข้ากันได้ไหมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผมบอกแล้วมีญาติผมคนหนึ่งแต่งงานโดยไม่ตรวจเลือดถ้ามีลูกผู้หญิงกี่คนคนตายหมดเลยระบบเลือดอสุจิของสามีพยาคู่นี้มันไม่เข้ากันยังไงไม่ทราบหมอเขาบอก แต่ถ้ามีลูกอุญชายหัวโตไม่สมประกอบมีใครบ้างที่สอนเราต้องตรวจเลือดก่อนแต่งงานตอนนี้ก่อนๆเราไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้แล้วนะ่ะมีซิฟิลิสหรือเปลามีเอสดหรือเปล่าเพราะโลกมันจเจริญในทางที่ชั่วร้ายมากขึ้นโลกมันสถุนมากขึ้นเราต้องละเอียดอ่อนต่อการใช้ชีวิตนาละเอียดอ่อนต่อการใช้ชีวิตนบีบอก เพราะเราต้องมีลูกหลานมีสืบตระกูลถ้าลูกพิการลูกติดโรคมันจะเป็นยังไงปัญหามันจะเพิ่มมากขึ้นไม่มีใครให้คำสอนแบบนี้หรอกครับแต่ที่นบีมาบอกพอาะอัลลอ์บอกให้นบีบอกพอเพราะอัลลอฮ์เป็นไรข้าบีรู้บัรปลายของเรื่องราวต่างๆจะเป็นไปยังไงอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดถึงสั่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้พอราออัลลา์รู้ทั้งหมดนั่นคือ อ, อันกุรอาน แต่ว่าตารอนอินเียไม่ได้สมบูรณ์เหมือนอันกุรอานกุรอานเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดและจะต้องใช้คัมภีร์นี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่มีคัมภีร์อื่นใดแล้วนอกจากอันกุรอานถึงวันกิยามะเลยคิดดูสิระบบจะทันสมัยขนาดไหนเพราะใช้จนกระทั่ถึงวันกิยามะปรากฏการต่างๆที่มันแปลกมากขึ้นเจอในโลกนี้มากขึ้นกุรอานจะให้คําตอบได้ทุกคําถามทุกคําตอบ นั้นเราต้องอา่านแต่สิ่งที่น่าสงสารพวกเราก็คือว่าอ่านจริงแต่ไม่เข้าใจความหมายอ่านจริงแต่ไม่เข้าใจคําสั่งแต่อัลลอฮฺยังทรงเมตตานะได้บุญหนึ่งอักษรได้กสิความดีถ้าอ่านไม่เคยถูกตะกุกตะกัดมีความพยายามที่จะอา่านอัลลอฮ์ก็เพิ่มผละบุญมากขึ้นงั้นอย่าท้อในความตะกุกตะกักฝึกได้แล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มผละบุญในส่วนที่อา่านตะกุกตะกักไม่ค่อยได้แต่เราพยายาม นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกอะไรอีกให้เราได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์ตัมูดูว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ไปอิบาร์ดาต่อสิ่งใดเขาแปลว่าสมัยใหม่ก็แปลนามัสการคือต้องไม่อิบาร์ดาต่อสิ่งใดอิลลัลลอหเว้นแต่อัลลอฮ์องเดียวอิบาด์ดาคืออะไรเฟื่องลุเฟื่องลุคนี่หมายจะตักกระบอิลัลลอห ทำทุกสิ่งที่ทำให้เราก้าชิด ต, ต่ออลัลลอฮ์เรียกว่าเป็นอิบะดา์งั้นอัลลอฮ์ตักบูดูไกรรนลออย่าไปอิบะดาตองศีนายที่นอกจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอตุชนิกูบิฮีชัยอาอยา่าเสด็จต่ออัลล์นะอย่าเอารามาแทรกแซงความเชื่อของเราที่มีต่ออลัลลอ์ิดเสดอย่าชิดิกในเรื่องของอะกีดาอย่าไปชิดิก อย่าไปเฉลี่ในเรื่องของอากามบทบัญญัติต่างๆที่อลัลลอฮ์บอกบอกอย่างไหนปฏิบัติแบบนั้นอย่านําความคิดอื่นมาแทรกแซงและพยายามอธิบายคําสั่งอลัลลอฮ์ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นการบิดเบือนอย่าคำไหนแบบยังไงก็แบบนั้นงั้นอย่าเฉลี่ในเรื่องของอกคดีไดความเชื่ออย่าเฉลี่ในเรื่องของอากามชารีอะห์อย่าไปเฉลี่อย่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแทรกแซงเอาคําสั่งของอลัลลอฮ์โดยตรงมาปฏิบัติ นี่คือความหนักแน่นของเราที่ต้องมีและถ้ายึดแบบนี้ใครแทกแซงเราไม่ได้ใครดึงเราไปทางไหนไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกกับเราแบบนี้แล้วเราก็สัญญาแล้วใช่ไหมว่าอัชาดุลลอฮีลาฮิอัลลอฮฺวาอันนโมฮัมมัดะรดซูลลอฮฺนี่คือสัญญาที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวคําสั่งมาจากอัลลอฮ์ความเชื่ออัลลอฮ์บอกอะไรจะเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกนบีก็มาอธิบายอธิบายอธิบาย และรูปธรรมปฏิบัติก็มองได้จากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมนี่คือความสมบูรณ์ที่อัลลอฮ์บอกทําไมนบีเอาความสมบูรณ์มาให้ไม่ได้คิดเองแต่นบีพูดตามวุฮัยที่มาจากอัลลอฮ์ว่ามานติกัวอานอินฮาวาอินฮัวอิลลาห์ฮายูยูฮาพูดตามวุฮัยที่อัลลอฮ์ให้มาก็พูดตามนั้นลอสั่งให้พูดแบบไหนก็พูดแบบนั้นไม่แทรกแซงไม่บิดเบือน ไม่มกเม็ดคำพูดก็ตรงไปตรงมาตามที่อัลลอ์บอกงั้นอัลลาตบูดูอิน ล, ล, ละละเราจะไม่อิบาดาห์ต่อสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นและเราจะต้องห่างไกลจากอะไรครับต่อรูดต่อรูดคือได้มาอูบิดามินดูนินละสิ่งที่จะถูกสักการะนอกจากอัลลอ์เนี่ยแค่แต่ต่อูด งั้นแบบที่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกแล้วเราทําตามนรือเราทําตามต่อคูตต่อคูตคือมาอูบิดามินดูนินละสิ่งที่ถูกอิบาดะที่สิ่งนั้นไม่ใช่คําสั่งของอัลลอฮ์แล้ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกด้วยแล้วไม่ใช่ใชพระองค์ด้วยนี่คือต่อคูตมันจะมีสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ตลอดเวลานะแทรกจากอารมณ์ของเราที่ถูกกระตุ้นจากไชตอน แทรกจากอรารมณ์ของเราอินนั่นนับซาละอัมมาราตุมบิสุอารมณ์ที่ใยต่ําในตัวเราอะ่ะมันจะแทรกโดยไชยตอนจากกระซิบกระซาบงั้นชีวิตต้องสู้ของผู้ศรัทธาตอ่อเลาะสู้กับไชตอนแบบไหนอ่านกุ้อ่า น, นเยอะสู้กับไชตอนแบบไหนอ่านอายะคุรุสีสู้กับไชตอนแบบไหนอ่านสามกุ้นสู้กับไชตอนแบบไหนเยอะแยะให้ว่าลาฮ า, า, า, าอัลาวะลากูอัตอิลลาบิลละเป็นการสู้กับไชตอน ไชตอนมันจะสู้มันจะมัจะทำลายเราที่ใจเราและเครื่องมือของชีวิตของเราทั้งหมดถ้าไม่คุมแบบอิสลามนะเราก็จะใช้เครื่องมือของชีวิตที่อร่อยมาสนองตอบการกระิบกระซาบของไชตอนเครื่องมือชีวิตคืออะไรตาใช้แบบอิสลามหรือเปล่าหูใช้แบบอิสลามหรือเปล่าปากใช้แบบอิสลามหรือเปล่ามือใช้แบบอิสลามหรือเปล่าเท้าใช้แบบอิสลามหรือเปล่า สิ่งที่อยู่ในระหว่างสองขาอ่อนใช้แบบอิสลามหรือเปล่านี่คือเครื่องมือของชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาและอัลลอฮ์สั่งให้ควบคุมโดยอันอิสลามนาบีเคยบอกอะไรนะใครที่สามารถควบคุมปากและสิ่งที่อยู่ในระหว่างสองขาอ่อนไว้ได้แล้วก็ฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขานั้นปากจะบาปเยอะปากจะพองถ่ายผลและบุญเขาลองให้คนอื่นเยอะสิ่งที่อยู่ในระหว่างสองขาอ่อน จะเป็นกระบาอิดบาปใหญ่เยอะพี่น้องดูไลน์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไม่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรแต่อาผู้ชายคนหนึ่งมาแก้ผ้าแล้วใส่ใส่อะไรอะไรใส่กุญแจมือยืนอยู่ข้างฝาแล้วผู้หญิงก็เตะไอ้นั่นอะเตะเอาเตะเป็นอะก็อ้เตะโอ้โหเตะจนกระทั่ง เตะข้างหน้าจนแย่แล้วข้าไปเตะข้างหลังอีกจนกระทั่งเลือดเลือดกระเด็นทั่วไปหมดเลยไม่รู้เหตุการณ์ยังไงแต่อ่านดูแล้วถ้าผู้ชายคนนี้มันข่มขืนคนอื่นในระบบอิสลามไม่ใช่เตะต้องอะไรต้องโบยร้อยครั้งโบยร้อยครั้งเนี่ยเตะแบบนี้มันเสียของนะ่ะ โบยร้อยค้างเป็นการลงโทษแบบอิสลามนี่เตะแโอโหสงสารเลยแต่ไม่ใช่คือคือมองภาพไปแล้วนี่มันไม่ใช่ระบบอิสลามและโบยจะขนาดไหนคนถูกโบยร้อยค้างจะขนาดไหนแล้วก็บุคคลที่เห็นคนคนนี้ถูกโบยมันจะเกิดความรู้สึกว่าบทลงโทษที่รุนแรงแบบเนี้ย มันจะสอนใจเราว่าเราอย่าไปก้าวล่วงความรุนแรงหรือสิ่งที่เป็นบาปตรงนี้มันจะเห็นไงมันจะเห็นใจมันจะเปลี่ยนเหมือนประหารชีวิตโดยการยิงอ่ะมันไม่เท่าประหารชีวิตโดยการตัดคอหรอกการยิงมันเจ็บปวดแต่การตัดคอเนี่ยมันเสียวแต่คนที่ถูกตัดคอไม่ทันเจ็บปวดเพราะอะไรมีดที่คมที่สุดเวลามันตัดระบบประสาทที่คอแล้วเนี่ย จะเป็นลลลลลหลอดลมหลอดอาหารเส้นสมองมันขาดหมดแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่มันเป็นความเจ็บปวดของหัวใจว่าถ้าเราทรยศต่ออัลลอฮ์ไปฆ่าเขาตายแล้วก็ตายต้องถูกตัดคอเนี่ยมันสอนใจเราดีที่สุดแล้วก็เปิดเนี่ยพื้นที่สําหรับการตัดคอเนี่ยลานประหารเนี่ยเขาเปิดให้คนต่างๆได้เห็นนี่คือระบบอิสลามก็ดูต้องขยันขยอให้เขาเข้าใจอิสลามก่อนต้องไปติดต่อกับเขา ไปพูดไปคุยจนกระทั่งท้ายสุดเขาไม่ยอมรับอิสลามก็ประหารประหารนักก็ต้องต้องไปแนะนําก่อนไปไปไปหาไปรายใจะไ ร, ะ ไ, รไปปลอบใจไปไปชักจูงเพราะอยู่ระบบที่ถูกต้องแล้วแล้วไปละเมิดแบบนั้นจนไม่กลับมาแล้วเนี่ยมันไม่มีดีแล้วไม่มีค่าและสําหรับความเป็นคนอัลลอฮ์ต้บูดอิลลอห์ อินนนีละกุมมินหูอินนนิละกุมมินหูแท้จริงฉันนี้เป็นยังไงละกุมมินหูได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอ์มาอย่างพวกท่านทั้งหลายน บ, บีบอกว่าฉันได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์มาหาพวกท่านทั้งหลายแล้วก็บอกอิสลามให้กับพี่น้องไม่ใช่ว่าธรรมดานะ อา้าเราจะเลือกคนธรรมดาเนี่ยเป็นนบีเลือกนบีจากคนธรรมดาแล้วก็จะคัดเลือกระซูลจากบรรดาอับบนะีคัดเลือกบรรดาลอซูลจากบรรดา น, นบีแต่อา้าวเราก็เล่าประวัตินบีให้ฟังในอัลกุรอานพร้อมทั้งผลงานและการต่อสู้การถูกกดขี่การถูกย่ําดีให้ได้รับรู้มาตลอดว่าคนที่ทําหน้าที่ในการดารวะอิสลามเจะต้องถูกอารมณ์ของคนที่ไม่รับอิสลามหยามใจขนาดนี้ นบีก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นบีก็ไม่ท้อวันนี้เราเป็นอุ ม, มาในาบีเราก็ไม่ท้อเราต้องยืนหยัดอิสลามเพราะอัลลอฮ์บออันกุรอานว่าอินนามอันอุสัยยุสอในความยากลังบากมันจะมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นงั้นคนจะเจอความยากลังบากกรแล้วจะสบายที่หลังไม่ใช่ลำบากแล้วข่าตัวตายรอความสบายที่อัลลอฮ์จะให้เพราะอัลลอฮ์เป็นทรงผู้ทรงเมตตานะครับผู้ทรงปรานี้เสมอ น บ, บีก็บอกว่าน บ, บีเนี่ยนาซีรุนอัลลอฮ์ให้น บ, บีมาเนะี่ยนซีรุนคือตักเตือนถึงการลงโทษของพระองค์หากว่าฝ่าฝืนแลว้วก็ปฏิเสธคือนาซีรุนมีนันอดาดับเป็นการตักเตือนถึงการลงโทษของอัลลอฮ์หากว่าผู้นั้นปฏิเสธหรือฝาฟาฟ่าฝืนวาบชีรุนบิษาวับแล้วก็แจ้งข่าวดีว่าจะได้รับการตอบแทนในผลงานที่ดี หากท่านทั้งหลายนั้นได้ต่ออัดต่ออัลลอฮฺและรอซูนก็จะตอบแทนความดีมันก็มีอะไรนะซีรุนวะบาชีดตอนนี้เรารู้เนี่ยเราเราก็ดูแลชีวิตสิอะไรที่นะซีบอบอกถึงสิ่งไม่ดีต้องถูกลงโทษแล้วก็ทิ้งไปเอาที่บาชีรุนบอกข่าวดีที่บาชีรุนบิดซาบอินอตัตุตมูหูแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติ นบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมและนบีทุกค น, นพูดจริงแต่นบีมุฮัมมัดนั่นพูดจริงจนได้เรียบชื่อว่าฉายาว่าอัลอามีนพูดอะไรจริงหมดไม่เคยก็หกงั้นหน้าที่ของนบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมหรือนบีก่อนหน้านี้คืออินซารุนลีมันอาซ้อคูบินนาตเตือนคนที่ทรยศว่าต้องได้รับนรกเป็นการตอบแทนบาชิดคือเตือนลิมันตต้อคูบินช น, นะ บอกให้รู้ว่าคนที่ต่ออาต่ออัลลอฮ์และรอซูนจะได้รับสวรรค์มันก็เป็นแค่นี้แหละงั้นชีวิตต้องสู้เราต้องสู้อะไรสู้กับอะไรยี่หดุลฟุซักสู้กับสิ่งที่เป็นฟาซิกยี่หัดุลจุฮานสู้กับความโง่สู้กับความอคติสู้กับกระแสต่างๆที่มันไหลบ่าสู่สังคมเราต้องสู้เพื่อยืนอิสลามไว้เราต้องสู้เพื่อยืนอิสลามเอาไว้กับตัวเราและกับลูกหลานของเรา งานชีวิตต้องสู้เนี่ยถ้าเป็นครอบครัวก็ต้องทํางานร่วมกันน บ, บีถึงบอกว่าให้เลือกสตรีที่เข้าใจศาสนาแล้วสตรีที่เข้าใจศาสนาเมื่อเป็นแม่ของลูกแล้วเนี่ยการเพราะบ่มอิสลามของแม่ที่มีต่อลูกมันจะได้ประโยชน์และฝังความรู้สึกได้ดีมากขึ้นเพราะว่าใกล้ชิดตลอดบ่งบอกให้อิสลามตลอดให้กับลูกได้รู้ได้เข้าใจ นี่นั่นคือการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาไวนิสตากฟิรูและท่านทั้งหลายจงขอเนรโทษกรรมทั้งหลายจงขอต่อผู้อวิบาลของพวกท่านขออะไรขอให้ยกโทษนะวาอนิสตากฟิรูรับประคุมขอต่อพระผู้อวิบาลของท่านให้ได้ยกโทษ ซาเคริลมีนซุนูบจากบาปต่างๆที่เราทาทั้งเป็นกับบาอิดและกัซอรอิดบาปใหญ่ๆหรือบาปเล็กๆบาปใหญ่คือเจบกับบาปจะเป็นกับบาอิดบาปใหญ่ๆก็ได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ยกโทษนะซุนูบเยอะซุนูบที่ไม่ได้เช่นอาชิดก็เป็นบาปใหญ่อัลกุฟรูการไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็เป็นบาปใหญ่ วันมาอาซีมัซซิยาต่างๆก็เป็นบาปใหญ่เราก็อะไรล่ะอยากจะให้พ้นก็ขออิสติกนะฟาตออลลอฮุสุมาตาลาอ่อิสติฟฟาตออลลอฮุสุมาตาลาซุ่มมาตูบูหลังจากนั้นก็ให้เตาบากกลับตัวต่อออลลอฮุสุมาตาลาโดยมีเงื่อนไขว่ากลับตัวไปสู่บิดต่ออาตยวันอิบาร์ดะการต่ออาจเชื่อฟังแล้วก็การอิบาร์ดะที่มีต่อออลลอฮ์นะกลับไปสู่ประเด็นของชีวิตตรงนั้นที่เราจะต้องกลับไป แต่นี้เวลาเวลากลับตัวสู่อัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าหนึ่งเราต้องเสียใจต่อความผิดที่เราทํามาที่ผ่านมาแล้วสองเราต้องมั่นใจว่าจะไม่กลับมาทําความผิดเหล่านั้นอีกหรือความผิดอื่นๆเนี่ยที่เรายังไม่ได้ทำํำเราก็ต้องตั้งมั่นว่าจะไม่ทําด้วยไอ้ที่ทำแล้วก็ตั้งมั่นว่าจะไม่กลับมาทําความผิดเหล่านั้นอีกแล้วรประการที่สาม ต้องถอนตัวจากความชั่วทั้งหลายที่เราได้เคยทําหรืออาจจะพบว่ามันจะมีอนาคตความชั่วมาแทรกแซงเราเราก็ต้องอะไรถอนตัวจากสิ่งที่ทําและก็พยายามยับยั้งตัวเองอย่าไปทําสิ่งที่เป็นความชั่วนั่นคือสิ่งที่เราล้อให้คือได้ให้เราอิสติกฟาต่อรออะสตาฟิรุลโลให้เราเตาบ้าตนต่อรออะสตาฟิรุลโลว่าอตูบุยไลยงั้นรูปธรรมมันมีอยู่ว่าอิสติกฟาแบบไหนตาบ้าตนแบบไหนนะักขณะนั้นใจเราต้องคิดแบบไหนอย่างไร ถ้าเราอิสิกฟ้าต่ออัลลอ์เราตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอยู่มัตติอกุมมาตาอันฮัสนาแน่นอนพระองค์ย่อมจะประทานความสุขอันงดงามแก่พวกท่านอิลาอาจาริมมุซัมมาตาถึงอายุไขที่อัลลอฮ์ได้กาหนดไว้อยู่มัตติอุกุมอัลลอจ์จะไรนะประทานความสวยงามให้ปัจจัยต่างๆที่ดีมาตาอันฮัสนา ปัจจัยต่างๆที่ดีความสุขที่ดีมาตาอันฮาสนะคืออะไรฟิดดุนยาก็คือมานาเฟะฮาสนะประโยชน์ต่างๆที่ที่ดีแบบที่อัลลอฮ์บอกสองไอชะตุนตอยบีบะชีวิตที่ดีตามที่อัลลอฮ์และละซูลบอกนี่คืออย่มาตาอันฮาสนามะมาตาที่เป็นวัตถุเราใช้ประโยชน์จากมันแต่ว่ามาตาอันาฮาสนะที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเนี่ยคือมานาเฟะฮาสนะประโยชน์ต่างๆที่ดีหรือ ไ อ, อ, อ, อ, อ้ไอ้ใไอ้ใไปบ้อาชีความเป็นอยู่ที่ดีก็เป็นมาตาอันทศน า, าประโยชน์ที่ดีชีวิตที่ดุยเราขอจากอัลลอฮ์นั้นเราขอดุอาต่างๆเราขอมาเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ขาดก็คือรบบานาอัตินาฟิดดุญยาฮัซานะขอร้องนำมาให้กับเราด้วยในโลกดุนยานี้นําอะไรมาฮัสซานะสิ่งที่เป็นความดีดุนยาขออย่างเดียว ว่าฟิลอาคิโรติในอาคิเราะขอสองอย่างว่าฟิลอาคิโรจะฮาสนะขอให้ได้รับความดีและโลกอาคิเราะแล้วก็อะอีกอย่างหนึง่งวากีนาอาซาบนาดขอให้เราพ้นจากอาซาบของไฟานรกด้วยงั้นโดนยาขอฮาสนะอาคิเราะขอสองอย่างฮาสนะด้วยแล้วก็วันเกวากีนาอาซาบนาดด้วยเพราะว่าเป็นการตัดสินวันนู้นจะเป็นแบบไหนวันนี้เราของั้นดูอาบทเนี่ยขอได้ตลอดเวลาแล้วก็ยิบยืมไปใช้ในวาระต่างๆ นะบางทีขอด้ดยอายาวๆไม่ได้ภาษาอับไม่ได้ก็นึกขอภาษาไทยเราอยากได้อะไรก็ของั้นเลิกละหมาดเราก็ขอเองเราไม่ให้อิหมามขออิหมาก็ขอตามที่เขาจะเอาแต่ถ้าเราขอเองเรามีเรามีอะไรเรามีความต้องการแบบไหนเรามีข้อบกพร่องแบบไหนเรามีแบบแบบไหนเราก็ขอของเราเพราะเราต้องการแบบนี้อิหมาก็ขอของเขาบางทีมันก็ไม่ตรงกับเรา บางที่มันก็นไม่ตรงกับเรางั้นอิหมัมอิหมัมมัมสยิดหนึ่งขอขอให้เดตแต่งงานกับภรรยาคนที่สองมียก็ไปแล้วมาจากมาอะมียก็ว่าอามินซา บ, บุดุ ก, ก็อามินมีอะก็อามินซา บ, บุดุ ก, ก็อามินท้ายสุดพออิหมัมไปแต่งงานโมโหอิหมัมก็บอกว่าเออไอตอนขอมึงอามินเหรฉันก็ไม่รู้มะมุ้งก็อามินอัลลอฮ์ก็รับใหญ่เลย ท้ายสุดอิหมามมีเมียคนที่สองยุ่งยากกันใหญ่ดายอิหมา ม, มีแล้วก็ไปอาเมินกับเขาอามินไปอิสตยาบขอรถลปโปรดรับการขอค่ะงั้นเลิกละหมาดของใครของมันไอตอนละหมาด ก, ก็ตามเขาเพอให้สลามอิหมามหมดสิทธิ์แล้วเหมือนประธานจัดงานแหละไอตอนจัดงานก็เป็นประธานพอเลิกงานแล้วเขาไม่เรียกประธานจัดงานแล้วนะ เดี๋ยวยังกลุมอยู่ไปที่ไหนต้องเรียกประธานประธานจัดงานมันเลิกงานไปแล้วนะมันเลิกงานไปแล้วงั้นอิสติก ฟ, ฟาต่ออลลอสอตาบาตุนตออลอแล้ออลอก็ะจะให้การตอบแทนหรือปัจจัยที่ดีงามมาตา อ, อนฮัสา น, านันฟิดดุนยาก็คือมานาเฟฮัสนนะนะครับชีวิตอยู่ที่ตออาเยบะอิลาอาจะลิมุซามะม ตราบถึงอายุขยที่ถูกกาหนดก็คืออะไรอิละอาจิจ ล, ลิมุสัมมาระยะเวลาที่กําหนดของการมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแต่นี้สิ่งที่เราต้องได้อยากได้ก็คือว่าเราจะต้องการให้อัลลอฮ์ได้อะไรครับให้เรามีชีวิตอยู่ภายใตันต อ, อิบะชีวิตที่ดีตามแบบอิสลามชีวิตที่ดีแต่ตามแบบอิสลามเนี่ยเราเราต้องการจะจะยืนก็ยืนที่ดีตามแบบอิสลามเพราะเพราะเราไม่รู้ ในความไม่รู้เราก็ต้องเตาบ้าตนต่อรอนะในความรู้ว่าเราทําอะไรไปแล้วก็ต้องเตาบ้าตนต่อรอสัตย์ดาอิลลอหิมะโรยิฮุกุมการกลับคืนของพวกท่านทั้งหลายคือบะดันเม้าหลังจากตายแล้วเนี่ยไปไหนอิลลอ์กลับไปสู่อลัลลอฮ์สุมาฮัตลา ละอิลาคอยดีฮีไม่ได้กลับไปสู่สิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์นะกลับไปสู่กับอัลลอฮ์แล้วต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วก็กลับไปสู่พระองค์อัลลอฮ์สร้างเรามาปุ๊บให้อิสลามแกเรามาเป็นข้อปฏิบัติในการดูแลชีวิตให้เมลิกาตบันทึกความดีความชั่วแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับคืนไปสู่อาร์เคียร์โลกแห่งการตอบแทนที่ต้องผ่านด่านเยอะแยะมากเลยในวันผมบอกกับพี่น้องที่ศาสนาว่า เวลาผมเข้าไปในอุโมงเวลารถวิ่งเข้าอุโมงนึกถึงกุโบทุกครั้งเลยอุโมงมันลึกพอๆพเราอยู่ในกุโบ ล, ลึกความลึกล้วไปอยู่คนเดียวเนี่ยเราเรามีอะไรเป็นเพื่อนเรามีอะไรเป็นเพื่อนเวลาเรือไปอยู่ในกุโบคนเดียวคนอื่นเขาอยู่บนโลกโดนยาเามีความสุขยังไงกันว่าไปอีกคนข้างๆก็อยู่ในกุโบต่างคนต่างอยู่แล้วความดีมันมีไหม สู่ตัวราที่จะไหลสู่ตัวราตลอดเวลามีไหมสระรก่อยาริยางมีไหมไม่มีขี้เหนียวอย่างอีซุนบาคินอาซันฟุกอโรคนบาคินจะมีชีวิตอยู่แบบคนยากจนคนยากจนไม่มีตังเสียสละเพราะจนแต่คนบาคินมีตังแต่ไม่เสียสละมันก็มีผลลัพธ์เหมือนกับคนยากจนตังคนตังไม่ได้เสียสละทั้งคู่เพราะเอบาคินอย่างอิซุนบาคินอาซันฟุกอ นคนบาคเคนจะมีชีวิตอยู่แบบคนยากจนแต่ว่าคนยากจนอาจจะมีโอกาสมากกว่าถ้าเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าวันหนึ่งฉันมีฉันอยากจะ ท, NE, ทํานู่นทํานี่ทํานั่นนี่เขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาตอบแทนความดีเหมือนกับเราวันนี้ไม่มีโอกาสจะไปทําฮัตไม่มีโอกาสจะไปทําอุมรอ์อย่าบอกว่าคนอย่างฉันไม่มีโอกาสจะได้ไปรอกอย่าพูดอย่างนั้นเราบอกอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ให้ฉันได้มีโอกาสไปทำฮัตให้ฉันมีโอกาสได้ไปทําอุมร์ ความตั้งใจที่เราขอต่อรอบตรงเนี้ยเราได้รับผลตอบแทนแล้วงั้นอย่าพูดว่าคนอย่างฉันไม่มีโอกาสรอกใครลูกข้างหน้าไม่มีเขารู้มีโต๊ะหมอนวดอยู่คนนะ่ะจนนะ่ะแต่เป็นหมอนวดที่ประครบคนที่ออกลูกคนที่คลอดลูกมาประครบต้มน้าประครบมานวดมาอะไรเนะี่ยเป็นคนจนแต่เป็นคนดีมารยาทดีวันหนึ่งก็ไป น, นวดมุสลิมมาคนเลย กัพูดเรื่องความอยากจะไปทําฮัตทำอะไรเนี่ยแค่เป็นคนดีท้ายสุดคนไข้คนนั้นจะของบ้าน่ะให้เงินไปทําฮัตเป็นคนดีไงเขาบอกขอเดือนละต่อรอมาตลอดไม่รู้ว่ารอดจะให้เมื่อไรแต่อยากจะไปทําฮัตจริงๆนะคนไข้คนนั้นคนป่วยคนนั้นที่ให้มานวดให้สตังไปทําฮัตเมื่อสามสี่ปีก่อนเป็นภาพจําที่ผมจํามาว่าเราทําความดี ตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้งั้นอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เรา จ, จะต้องกลับคืนผัสลอร์หลังจากตายแล้ววาหวาล拉กุลีชัยกอดีดอัลลอฮ์นั้นกอดีรุนทรงมีอนุภาพเหนือทุกสิ่งกอดีรุนวาหุวาล拉กุลีชัยกอดีดความหมายคือว า, วาหุวกอดีรุน阿拉กุลีชัยอินอัลลอฮ์มีอนุภาพเหนือทุกสิ่งมินสวะบินจะให้บุญก็ได้วะอิกรบินจะลงโทษ ก, ก็ได้ งั้นอายันที่เรามีอยู่ชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยเวลาเราตายปุ๊บเราก็จะไปเจอการสอบสวนอยู่ตรงนี้ก็ทําความดีซะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนตรงนี้สี่อายะก์ก็คือว่าคุรานเป็นความจริงที่ไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่การเรียงถ้อยคําและความหมายก็เป็นความกลมกลืนไม่มีข้อบกพร่องแต่เป็นการเน้น นะคุณอาจจะเน้นนะเช่นเราบอกเราอ่านในฟาตีห่าว่าอียากะนาบูดูไว้อียากะนาสตาอินทำไมอลัลลอฮ์ไม่ไม่ให้คุณอ่านมาว่านาบูดูอียากะไว้นาสตนออียากะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้เราอ่านแบบนั้นเป็นการเน้นว่าอียากะนาบูดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอีบาดา้าต่อพระองค์ว้อียากะนาสตาอินและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเป็นการเน้นนะอีบาด้าต้องอลัลลอฮ์ นัสัอินต้องต่ออัลลอสุวาตาลานะนั่นนัน่นั่นคือใจเราที่จะผูกพันกับอัลลอสุวาตาลาข้อสองกุรานบอกถึงความชัดเจนให้อิบะดาต่อเราองค์เดียวห้ามอิบะดาต่อสิ่งอื่นๆที่นอกจากอัลลอฮเพราะสิ่งอื่นให้ประโยชน์ไม่ได้ให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้นะแล้วประกาแล้วก็ บอกถึงความยินดีให้รู้ถึงการเข้าสวรรค์ของผู้ตีต่ออัตตออัลลอฮ์คุณอาน จ, จะบอกถ้า ต, อาตอา้องอัตตออัลลอห์ปายทางคือสวรรค์แต่ต้องไม่เฉยอกนะไม่เฉยอกไม่โอ้อวดไม่ใครเข้าชื่นชมเราอย่าไปยกตนขุมท่านลินละเราจึงเมื่อคําว่าลินละตลอดเพื่ออัลลอฮ์สุลตาราเพื่ออลัลลอฮ์สราต้องมีใจตรงนี้อย่ามีอัลรอฮโรคอยู่ในใจที่โอ้อวดระยะโอ้อวดตะกบุษอย่ามีลินละจริงๆเพื่ออัลลอฮ์สุลตารา ย่าเพื่อมนุษย์เพราะมนุษย์จะเป็นการชื่นชมยินยอชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ละเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างยาวนานในประการที่สีที่เราได้รับก็คือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องอิสติฟ้าต่ออัลลอฮ์อิสติฟ้าคืออะไรตอลเบุญมาคุฟิระลเมเนชชิตกิวาซูนูบเราขอต่ออัลลอฮ์ให้เรายกโทษอันจะเกิดขึ้นจากการตีต่ออัลลอฮ์หรือการที่เราทําบาปต่างๆเราต้องมีแน่บาปต้องมี สิ่งกบางที่เราไม่มีแต่ชิ่งดกเล็กเราอาจจะมีขอดยอาต่อเราว่าอย่าให้มีสิ่งดกเล็กใหญ่อย่ามีนะสิยุต่อวัตถุสิยุตตคนเนี่เป็นสิ่งเดกใหญ่แต่สิ่งเกเล็กๆคืออะไรทําเพื่อโ อ, โอ้อวดเขาทําเพื่อเขาได้ล่ําลือฟังเพื่อเขาได้ชื่นชมนี่ไม่ต้องเราลิ้นละเพื่อร อ, อสตาลาและประการต่อไปก็สอนให้เรารู้ว่าเราต้องอิสติกฟาดแล้วก็มีการเตาบ้าตนต่อเรา กลับมาสู่อัลลอฮ์ในความผิดที่เราผิดเตาบะกลับมาสู่อัลลอฮ์สุตะลากลับมาสู่แบบไหนบิดตอบิดต่อตอาโดยการเชื่อฟังปฏิบัติวันอีบะดาละอิบะดาต่ออัลลอฮ์กลับมาซะคนเราไม่มีผิดทั้งนั้นแล้วกลับมาซะแล้วก็ถ้าเราอิสติกฟาดเนี่ยก็บอกไว้แล้วนะอิสติกฟาดแล้วเนี่ยไม่ได้ถอนตัวจากความชั่วแต่ความบาป ตาอุบาไม่ได้ถอนตัวจากบาปอิสติกฟาไม่ได้ถอนตัวจากบาปเขาเรียกอะไร น, นะตาอุบากัซาบีนตาอุบาของคนโกหกอิสติกฟาของกาซาบีนการอิสติกฟาของคนนี่โกห ก, ก, หกไม่มีประโยชน์งั้นกลับต้องกลับจริงๆตาอบาต้องตาอุบาจริงๆอิสติกฟาต้องอิสติกฟาจริงๆไม่นจะเป็นกาซาบีนเอาแค่แค่แต่ตาอุบาไม่ใช่งั้นเราทุกคนอยู่ในจุดที่บอกเราอิลอาอาจาลิ ม, มุซัมมาก็คืออลัลเม้าความตาย อัลกิยามะกิยามะแล้วก็ดูคูรุ่นันนาเข้าสวรรค์หรือตกนรกก็เป็นอายันมุซัมมาที่เราต้องดูแลตัวเองเมื่อถึงจุดนี้นะสิ่งต่างๆอะไรนี้เป็นการบอกบอกให้เราได้รับรู้ว่าจําเลยนะอิลลอหิมะโรยุอุกุมวาวาอาราคุลีช um ังกะดีดท่นั้งหลายต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งที่จะให้เป็นไปแบบไหนยอย่างไรก็ได้งั้นเราเป็นบ่าวของอัลลอ อยากเป็นไปแบบไห น, นอย่างไรก็ดูอต่อนต่อลอสุตะาลาแล้วก็ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์และรลัสูตสั่งอน Allah, ชีวิตจะดำเนินอยู่ในเป้าหมายและทิศทางที่อัลลอ์เป็นผู้สอนและเป็นผู้กำหนดนะครับจากพี่น้องในคำว่าสุภานักลลอวะบิฮัมดิกะอัชาดเล่าอิลลาอิลลาอันตะอๆๆัสตัฟิรกะวะอตูบุลลัยัลมะลกุมรมมตุลลอฮวะบรกาตุ